กลุ่มที่สจะได้กลุ่มที่สองจะได้กลุ่มที่สจะได้สองวันกลุ่มที่4จะได้วันหนึ่งนะคือทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้เป็นตัวอย่างสาธิตการเก็บอารมณ์เท่านั้นเผื่อว่าใครบางคนไปทําที่บ้านเอเอเราจัดสิ่งไปรอบอย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้ทานอาหารอย่างนี้อาบน้ําอย่างนี้ ใช้ช่วงเวลาปฏิบัติอย่างนี้และแต่และช่วงถ้ามีปัญหาแก้ไขอย่างนี้ตรงนั้นเองที่เรามาทําที่นี่เพื่อที่จะมาเรียนรู้วิธีเก็บเวลาไปเก็บที่บ้านเราจะแก้ปัญหาและจัดการสิ่งแวดล้อมได้ถูกแต่เราจะมาเก็บเพื่อเอามรดกเอาผลที่นี่มันก็คงจะไม่ไม่ได้มากแต่มาเอาแบบอย่างเพราะฉะนั้นมาที่ทําอยู่ทางอเมริกาก็คืออย่างเงี้ยคือทําแบบอย่างให้เขาเห็น แล้วคนที่เขามีศรัทธา <c oughs> ต้องการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเขาก็ลงมือทำแล้วก็ได้ผลเพราะนั้นที่เมกาในแทบพลุกรัฐมาจะมีผู้นำปฏิบัติอยู่เพราะเพราะเขาตั้งใจศึกษาปฏิบัติแบบแบบตามลำดับที่ได้นำเสนอนะเพราะนั้นเวลามาไปจัดที่ยรอเมริกาเนตก็พระในแทบไม่ต้องใช้เลยต่โยมจะเป็นทีมงานให้ ว่าโยมคนนี้ไปรัดนิยมคนนี้เป็นผู้นําปฏิบัติและคนอื่นก็อบินไปช่ว ย, ยง่ายเป็นเจ้าภาพบ้างเป็นผู้จัดการอันนั้นอันนี้ที่ไม่สะดวกเขาก็ช่วยกันนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่ทิ้งเขาไม่ได้เพราะเขาเขามีความตั้งใจนะแต่ถ้าเมืองเมืองไทยของเราอย่างนี้ก็จะเบามากขึ้นตอนนี้ก็เริ่มมีทีมงานมาช่วยหลายๆด้านแต่ทีมงานสําหรับผู้ที่ นําเสนอนําปฏิบัติเนี่ยยังหายากอยู่เพราะว่าการตั้งใจเก็บอารมณ์เก็บตัวเองเฉพาะตัวเนี่ยมันจะต้องเทรนตัวเองหลายๆอย่าง น, นะสมมติเราเดินโยกกุ่มเปนนานอ่านเนี้ยเดินไปเดินมาที่ถ้าเราไม่เอาใจใส่ต่อการสังเกตสักไม่ถึงชั่วโมงเราก็ล้าแล้วลาลขาก็ตึงแล้วใช่ไหเดีย๋ยว่าแต่ชั่วโมงแค่สักครึ่งชั่วโมงดัง <c oughs> นั้นเวลา <c oughs> เวลาเราเดินโยกกลุ่มเนี่ย ในช่วงแรกเราก็สังเกตตามที่ได้บอกเสมอเวลาเหยียบถ้าหากว่าเราเหยียบลงไปแบบนี้ยมันไม่มีช่วงที่จะพักเลยแต่ถ้าสมมติสังเกตให้ดีเวลาเหยียบยกไอ้ช่วงที่ลอยอยู่บนกับช่วงที่เหยียบเนี่ยใช้เวลาใกล้เคียงกันว่าเวลาเดินเนี่ยเราเห็นว่าตัวตัวรู้สึกหนักที่มันเพิ่งฝังตัวเข้าไปไม่กี้เนี่ยเวลาเรายกขึ้นเนี่ย มันทันคลายออกหมดไหมก่อนที่จะวางลงไปอีกหรือยกที่ก้าวที่เหยียบต่อไปไอ้ช่วงที่ที่ยกเนี่ยเราเห็นว่าความหนักดึงที่ที่เหยียบไว้เมื่อกี้เนี่ยยกเนี่ยมันท่านได้คลายไปหมดหรือยังรู้สึกว่าคลายไปหมดแล้วเขาเห ย, ยียบไปมันอาจจะช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าเราทําเพื่อสังเกตและศึกษาไม่ได้ทําเอาเพื่อชั่วมงเพื่ อ, อมกักเพื่อผลเพื่ออะไรคือมันก็เป็นมักไปในตัวนั่นแหละแต่ว่า สำคัญมันอยู่ที่ความถูกต้องสัมมากรมมันตะทำได้ถูกต้องไหมทำได้ถูกต้องหมายถึงอะไรหมายถึงสมดุลเป็นมัชชิมาถ้าสมมติว่ามันไม่มัชชิมาก็คือเราเหยียบไปนานกว่าในส่วนที่ลอยเพราะนั้นไอ้ส่วนที่น้ำหนักที่มันค้างอยู่ในขาเนี่ยกับส่วนที่มันคลายออกเนี่ยมันไม่ทันกันมันไม่ทันกันเมื่อไม่ทันกันในส่วนน้าหนักมันก็จะค้างอยู่ในส่วนขา มันก็จะสั่งสมความความตึงเอาไว้เราเหยียบซ้ําๆลงไปอีกทีนี้ไม่ถึง10บนาที20ือสิไอ้ความที่ความหนักที่มันสั่งสมเอาไว้เนี่ยมันเริ่มตึงเริ่มเกร็งแล้วเริ่มปวดขาแล้วซึ่งซึ่งเรื่องนี้เราจะต้องทําเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะถ้าศึกษาได้ดีแล้วมันจะเข้าสู่ตัวเป็นกลางการศึกษาทําให้เราเกิดปัญญาเห็นนี่ใช้คำอินไซน์เนี่ยอิ inside นไซน์ที่เข้าไปดูเข้าไป ดูสภาวะภายในในเท่ากับว่ายานคำว่า In-sight เนี่ยนะอ i นไซวคือปัญญายานเนี่ยเวลายก น, นั้นเบื้องต้นเนี่ยปัญญายาณเราต้องใช้กับกายให้เป็นเส้ยก่อนแต่เป้าหมายคือต้องใช้กับจิตน่นแหละแต่จิตมันละเอียดเกินกว่าที่เราไป In-sight มันทันทีเราจะเอ In-sight เฉพาะความรู้สึกที่อยากที่เราเห็นหนักเบา ช, าชาัดๆนี่เสก่อน แนะม้จะสร้างเกลื่อวเหมือนกันสร้างเป็ น, นานๆปับป๊บๆเนี่ยสักพักหนึ่งสักล้าแล้วเหนื่อยแล้วใจก็ลอยก็เพลินคุณจะต้องรู้หนักเบาอย่าให้ช้าเกินไปถ้าช้าเกินไปคุณก็เพ่งถ้าเร็วเกินไปคุณก็บาลาน้ําหนักไม่ดีถ้าหากว่าคอยสังเกตไปจะช้าจะเดี๋ยวก็สังเกตให้ดีว่าไอ้ตัวน้ําหนักที่ยกที่ขึ้นที่ลงเนี่ยมันคลายทันกันไหมแต่ถ้าคุณได้หมดแต่เดินเดินจะไม่สังเกตเลยว่าไอ้การก้าวกันเดินน่ยมันหนักอย่างไรมันเบาอย่างไรการเดินอย่างนี้ก็มี ประโยชน์น้อยสักพักคุณก็เบื่อเบื่อคุณก็หาเรื่องละ่ะหาเรื่องไปนูน่นไปนี่ไอสิ่งที่มันเกิดคุกขณะเนี่ยเรากลับมองไม่เห็นนี่เรียกว่าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้อินไซต์นะแม้แต่เดินไปสักพักหนึ่งคุณลงยืนดูยืนก็ดูว่าน้ําหนักทั้งที่ลงทั้งสองขาเนี่ยมันเท่ากันไหมถ้าไม่เท่าคุณลงยกขานี่ดูที่หลวพ่อทำให้เห็นหลวงพ่อเทียนทําให้เห็นเมื่อวานใช่ไหมยืนสักพักหนึ่งคุณก็ ยกขาในเพื่อเพื่อเอาน้ําหนักนั้นออกซึ่งมันมีอะไรน่าทําเยอะแยะเลยแต่บางครั้งเรานึกไม่ถึงเพราะว่าเราไม่มีการบางทีอามาก็พูดไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องเหล่านี้แต่เนื่องได้ไดทําตัวเองมากับตัวเองมาเป็นประจํามันถึงได้เห็นภาพเหล่านี้ในที่สุดเราจะอิมเมจเห็นภาพในความรู้สึกในตัวเองทั้งร่างกายโดยที่ไม่ต้องไปดูทีละ ตารางเม็ดตารางนิ้วอย่างที่บางสายที่คนเล่นกันเออคุณดูว้ทยานาะทั้งแต่หัวจุเท้านะ้ดูไปที่ได้ส่วนด้าส่วนด้าส่วนอันนั้นเป็นการเพ่งในลักษณะที่เป็นสมรรถะแบบหนึ่งแต่ดูวิปัสนาดูแทรกสองอาการง่า ย, ายคือหนักคือเบ า, ค, เบาคือสบายไม่สบายตรงไหนหนักเบาสบายเพียงแต่เราเข้าไปดูมันชัดๆเท่านั้นเองเออยืนอย่างนี้ขานี่หนักขานี้เบาน้ำหนักตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นบาตรงนี้ร้อยเปซ ถ้าคุณโยงทั้งสองข้างมารับอย่างละห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างห้าสิบเอร์เ็นตะ์นาะนะมันก็เป็นร้อยเปอร์เซ็ได้เหมือนกันแตนะคุณก็บาล a n c e มันนิดหน่อยแม้แต่การลุกแม้แต่การนั่งเนีย่ยคุณจะนั่งปุ๊บปั๊บเลยมันไม่เห็นน้ําหนักคลายนะคุณนั่งสูงก้าวแล้ก็เริ่มเห็นแล้วว่าเ อ, อน้ําหนักไหลมาตรงนี้แล้วตรงนี้เริ่มคลายไปแล้วคุณย่อนตัวลงไอ้ตัวนี้ก่อนน้าหนักเริ่มถ่ายมาตรงนี้แล้ว เวลาคุณก็ยกตรงนี้ก็จะเพิ่งนั่งหมดนั่งแค่นี้ก่อนก็ยกไปในช่วงที่คุณนั่งอาการอย่างนี้เราก็จะเห็นน้ำหนักมันเริ่มตึงขึ้นเรื่อยๆระหว่างเขาทั้งสองไปเรื่อยๆเรื่อยๆว่าไปถึงไหนแต่ดูท่าทีว่ามันจะตึงเกินไปเราก็เริ่มบาลานซ์ใหม่แล้วก็คาลงไปก็จัดขาคือคือไม่ต้องรีบอะทําเพื่อการศึกษาไม่ต้องรีบร้อน ทำเพื่อให้เห็นชัดๆเท่นั้นเองแต่พอทำไปนานๆท่า น, นี้ชักไม่เคยไม่ได้มันชักตึงๆแล้วถ้าตึงๆได้จิตของเราจะไม่สบายสังเกตจิตด้วยจิตของเราเริ่มเริ่มไปเก่อเกี่ยวที่นั่นนะเวลาเราจะลุกอาจจะบาลา น, น้ําหนักตรงที่ที่จะโพกที่มันหนักเต็มที่พอบาลานมาตรง น, นี้มันเริ่มคลายแล้วใช่ไหมน้ำหนักเริ่มคลายตรงนั้นมันก็จะมาไหลมาที่ขาแล้วที่เขาทั้งสอง จะลุกพรวดเลยก็ไม่ได้คุณต้องบาลาน้ำหนักตรงนี้ก่อนแล้วเอื้อตัวกับยกขึ้นมาจะลูกพรวดเลยก็ไม่ได้ต้องบาลาน้ำหนักมาที่ขาตรงนี้ก่อนเพื่อให้เห็นว่าน้ำหนักมาเพิ่มขาตรงนี้นะมันเริ่มออกจากตรงนี้นะแล้วก็ยกขึ้นมาทําแบบอย่างเนี้ยไปเรื่อยเื่อแล้วมันจะสนุกถ้าเราไปตั้งใจไปเพ่งไปเกรงไปเอาเนี่ยเดี๋ยวจิตเราก็เครียดแล้วก็ตึงก็เป็นไปต่างๆนาน า, น า, นาละซึ่งลักษณะอัเนี้ยเราเรามองข้าม วิปัสนาแปลว่าเห็นชัดชัดแจ้งแจ้งในแต่ละจุดเรียกว่าวิปัสนาวิแปลว่าแจ้งเปีว่าชัดแปลว่าต่างแปลว่าสว่างปัศนาแปลว่าเห็นเห็นแจ้งเห็นต่างเห็นสว่างในแต่ละจุดของร่างกายในแต่ละจุดของจิตใจในแต่ละจุดของเวทนาในแต่ละจุดของอารมณ์ที่สำหรับจิตกับอารมณ์ในรายละเอียดเกิน แต่ถ้าเรามุ่งดูรายละเอียดทางกายกับเวทนาชัดชัดเนี่ยมันจะเข้าไปอินไซต์รู้จิตรู้อารมณ์ของมันเองที่หลวงพ่อเทียน ใ, นใช้ว่าดูกายเห็นจิตถ้าดูกายดูเวทนาชัดชัดเนี่ยแล้วก็ทําด้วยจิตอันหนึ่งจิตที่เป็นขันห้าที่เป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณโดยโดยที่ยังไม่มีวิชาเข้าไปมันก็คือตัวที่เรามารับรู้ต่อสิ่งนี้แต่เมื่อมีเรา สัญญาสังขารวิญญาณมีอวิชชาเข้าไปปั๊บมันก็จะเริ่มจิตมันก็จะเริ่มออกไปข้างนอกไปสร้างตัวคิดตัวนึกต่างๆนะเพราะฉะนั้นเดินไปข้างหน้ารู้สึกมันมันเพลินแล้วก็จับอะไรไม่ค่อยชัดเพราะจิตของเราเนี่ยมันมันเรียนรู้ได้เร็วแล้วมันชินอะไรได้ง่ายพอเราเรียนรู้บทเรียนเก่าๆซ้ำๆแล้วมันชักไม่ค่อยเอาแล้วแล้วก็เริ่มเรียนบทเรียนใหม่บ้างที่มันเคยก้าวไปข้างหน้ามันชินก็ลองถอยหลังดูบ้าง เทอยหลังเวลายกการบาลาน้ําหนักระหว่างยกแล้วถอยหลังแล้วเหยียบเนี่ยต่างกันยังไงซึ่งการเก็บอารมณ์เราเราก็ศึกษาเรื่องเหล่านี้บางทีวันผ่านไปโดยไม่รู้เลยว่ามันผ่านไปใไนวัยจังแต่ถ้าหากคนที่ไม่ดูสิส่งเหล่านี้วันเท่ากับห้าวันเจ็ดวันเมื่อไรมจะหมดเวลาสิ้เวลาเยอะเหลือเกินเนี่ยอันนี้สําหรับคนที่ยังทําไม่เป็นใช้เวลาเท่าไหร่ก็ไม่หมดทั้งวันแต่พอเราทำอย่างนี้ปับ๊บ มันไม่มีกาลละมันมาอยู่กับตัวรู้ทั้งหมดเป็นอากาลิโกเวลาผ่านไปทั้งวันเหมือนกับไม่มีเวลาเพราะว่าจิตของเรามันไม่ได้ออกไปข้างนอกพราะจิตมันออกไปข้างนอกปั๊บเนี่ยการเวลาเกิดมิติของอดีตนะครับคือตัวสร้างเวลาแต่พอกลับมาอยู่ปัจจุบันปั๊บมันอยู่เหนือการเวลาเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าเวลาผ่านไปทั้งวันเหมือนกับไม่ผ่านอะไรไปเลยเพราะว่าจิตของเรามาอยู่กับปัจจุบันที่ชัดเจนมาก นั้นที่เราสาธิตกันนี้เป็นเพียงภาพเป็นการเรียนรู้นะแต่ภาพปฏิบัติจริงเราต้องเอาไปใช้ให้เป็นพราะอาไปใช้เป็นในชีวิตทั้งชีวิตในหูเราเสียดายยังผ่านไปทั้งหลายสิบปีเราเพิ่งมารู้เรื่องนี้ไม่งั้นเราไม่ทุกข์ขนาดนี้เราไม่แก่ขนาดนี้เราไม่ป่วยขนาดนี้แต่พอเราข้ามถ้าถึงใช้ว่ามัน ความคิดมันหนาแน่นเกินไปเรามองไม่ทะลุแต่พอเริ่มมาทําอย่างนี้ความคิดและอารมณ์ต่างๆเริ่มเบาบางเหมือนเมฆที่มันเริ่มจางคลายแสงสว่างก็เริ่มเล็ดรอดลงมาแต่ว่าตลอดเนี่ยเราก็อยู่กับอารมณ์เมฆหมอกทางความคิดอารมณ์หนาแน่นจนดําปิดแสงพระอาทิตย์ <c oughs> จนจนสนิดอ่ะช่านลักษณะความหนาของเมฆที่บังแสงนี้ท่านใช้คำว่าปุทุ กูปุถุชนะคือหนานะปุถุชนแปลว่าหนาก็หมายถึงตัวหนาของของอารมณ์ต่างๆที่มันมันมันทับทับ ท, บทบมันเข้าไปเพราะ น, นั้นตัวรู้ตื่นเบิก บ, บานเหมือนกับแสงพระอาทิตย์ที่หลังฉากเม่ก่อนนั้นเมื่อไหร่มันมีช่องที่จะให้ทะลุเนี่ยแสงมันก็ทะลุลงมาทันทนะีนั้นพอเรามาใส่ใจต่อปัจจุบันเนี่ยแสง กลุ่มก้อนเมฆของอารมณ์ที่มันเกิดจากอดีตอนาคตสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะสลายได้เร็วขึ้นสลายได้เร็วขึ้นเพราะความร้อนของพระอาทิตย์เองก็ส่วนหนึ่งที่มันร้อนพอที่จะสลายเมฆก้อนนั้นได้แต่ขนาดว่าพระอาทิตย์ทั้งดวงแนวเมฆเป็นเพียงกลุ่มก้อนไอน้ำแท้ๆเนี่ยมันสามารถปิดบังได้แสดงว่ามันหนานแน่นจริงๆเนี่ยความรู้สึก ที่เป็นพูท้ตื่นรู้เบิกบานที่มันอยู่ในชีวิตของเรามาตลอดเนี่ยมันต้องมันพร้อมที่จะฉายแสงออกมาได้ตลอดเวลาแต่เนื่นองจากความหนานแน่นของอาตีตาลมอาาคตาตาลมอารมณ์อดีตอนาคตมันสร้างเมฆหมอกของอารมณ์ไปปิดรู้ตื่นเบิกบานใน้แทบดวงนะเพราะนั้นคนไหนหนามากก็จะโง่มากคนไหนหนา น, าน้อยก็จะโง่น้อยเพราะนั้นคนโง่ฉลาดจึงจึง มีขึ้นคนฉลาดหมายถึงว่าส า, สามารถสลายเมฆหมอกที่มาบดบังได้เร็วนะแต่คนที่หนาหรือคนที่ฉลาดน้อยหรือคนงโง่เนี่ยคือไม่มีอุบัยที่จะสลายเมฆหมอกทางอารมณ์ที่บังตัวพุทธจิตเนี่ยหรือสลายได้ช้าสลายได้ช้าไอ้ตัวเมฆหมอกดำๆนี่ก็คือตัวราค่าโทสะมหานั่นเองคนมีราคามาก โง่มากคนมีโทศามากก็โง่มากคนมีโทมูหามากก็โง่มากทีนี้พอทาลายเมฆ ค, คือราคาโทศามหาลุบ ป, ปับ๊บดังได้กล่าวเลยว่าราคะก็จะเปลี่ยนเป็นศีลโทศาก็จะเปลี่ยนเป็น ส, าานนสมาธิมูหาก็จะเปลี่ยนเป็นปัญญาโดยอัตโนมัติเลยเพียงแต่ว่าการที่จะสลายก้อนเมฆทางอารมณ์ที่ปิดบงังพุทธจิตของเราเนี่ยทำอย่างไรก็ทําเหมือนกับที่เราดูธรรมชาติคือพระอาทิตย์มัน ชาตศาสตร์สองแสงได้พุ่งเข้าไปตรงนั้นนั่นก็คือเราจะต้องกลับเอาตัวจิตมาอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆพอจิตมาอยู่ปัจจุบันเราก็รู้ว่าคอนเซปต์ของการสร้างอารมณ์ที่เป็นความคิดต่างๆนะั้นมันเกิดจากอดีตอนาคตแต่พออดีตอนาคต ถ, ถูกตัดออกไปพอเลื่องจิตมาอยู่กับปัจจุบันปั๊บอดีตอนาคตก็ จะมาสร้างก้อนเมฆของอารมณ์เพิ่มไม่ได้เพราะตัวปัจจุบันคือเหมือนกระเพาะที่ทีมันสองนี้โฟกัส ต, ตรงนั้นอนะมันปรากฏมันก็จะทําลายไอ้ส่วนเมฆหมอกทางอารมณ์ที่เหลืออยู่กระจายไปท้องฟ้าก็โป่งเหมือนเดิมคนนั้นถ้าคนไหนทำลายตรงนั้นได้มากก็หมายความว่าปัญญาของคนนั้นก็มากขึ้นแสงสว่างมากขึ้นคนไหนไม่สนใจเรื่องนี้เลยก็จะเป็นปุถุชนปุถุชนเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนะี่ยไม่มีที่สุดหมื่นชาติแสนชาติ ก็มาเกิดกับเป็นลักษณะนีย้ยากเพราะฉะนั้นในจุดเนี้ยเราก็เลยเป็นวิถีชีวิตที่จะต้องมาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยว่าจะทํามือให้คนเราฉลาดมากขึ้นคนเราแหลมคมมากขึ้นคนเราเข้มแข็งมากขึ้นมีสุขภาพดีขึ้นมันต้องพัฒนาอย่างเงี้ยก็ต้องมาภาวนาให้เกิดวิปัสสนาก่อนมิฉนั้นมันเริ่มต้นไม่ได้ การศึกษาทั่วไปที่เขาจัดกันอยู่จัดมาร้อยวันพันกีมืนกแก้ไขอะไรไม่ได้มากเพราะมันไม่ได้แก้ที่ปัญหาที่ต้นเหตุแก้ปัญหาที่ปลายเหตุดังนั้นเองก็เราต้องศึกษาเรื่องนี้นะเมื่อวานพระอาจารย์สมพงษ์ได้พูดถึงเรื่องเก็บอารมณ์ไปแล้วส่วนหนึ่งนะช่วงเช้านี้ก็จะลงรายละเอียดอีกนิดหนึงว่าการทำนั้นให้มีหลักอยู่อย่างว่า ความผ่อนคลายความสบายความปกติความไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดเป็นเป้าหมายหลักที่ต้องรักษาไว้ถ้ามาจะพูดกับพวกชาวต่างประเทศบอกว่ามาบีฟ e ีลี e l แล็ l ซ์ซิ g ลีเจนเดอรี่ l มฟูลคือทำอน่าให้มันเกิดกันผ่อนคลายมัน uh, แต่ว่า แต่ว่ามันจะต้องมีระเบียบนะแต่ถ้าการผ่อนคลายสบายแบบคนที่ไม่ปฏิบัติคือนอนแผ่ลับหรือสนุกสนานเรื่องอะไรก็ได้นั่งกินเ ล, เล่นไพ่คุยกัน อ, อะไรก็ได้ที่มันสนุกสนานอันนั้นมันเป็นการผ่อนคลายที่ออกนอกตัวไม่ได้ผ่อนคลายที่จิตกลับเข้ามาสู่ตัวจึงไม่ถือว่าเป็นการผ่อนคลายแบบวิปัสนาผ่อนคลายวิปัสนาหมายถึงว่าจิตต้องเข้ามา ดูมารู้มาเห็นสภาวะต่างๆที่กําลังเกิดโดยที่ไม่ต้องเพ่งดูแบบสบายอย่างที่ว่าดูประกอบด้วยทั้งรูปทั้งนามนะแต่คนทั่วไปผ่อนคลายเฉพาะนามแต่รูปไม่ผ่อนคลายรูปไม่ผ่อนคลายเช่นพวกนอนไปเที่ยวทะเลชายทะเลมีที่นั่งที่กินที่นอนนั่นผม ก, ก็ไปผ่อนคลายบรรยากาศน่าผ่อนคลาย แต่เขาก็มีสิ่งประกบอบเยอะแยะมีเพื่อนมีคู่มีเหล้ามีเบียร์มีดนตรีมีอะไรหลายหลอย่างกิจกรรมมันไม่ได้ผ่อนคลายทางกายเลยทางกายยังเกร็งเครียดอยูน่นั้นการมาวิปัสสนาเราจะทำไงเกิดการผ่อนคลายาาถ้าที่ทำให้เกิดการผ่อนคลา ย, ายมีท่าอะไรบ้างถ้าที่ทำให้เกิดการผ่อนคลายในกายมีท่าอะไรบ้าง ธาตุลมใช่ไหมอันหนึ่งธาตลมอันที่สองธาตุน้ํำตัวที่ทําให้เกรงเครียดขึ้นง่ายในกายของเรานี่มีธาตุอะไรบ้างธาตุไฟและธาตุดินใช่ไหมถ้าเราไปหนักที่ธาตุไฟธาตุดินปั๊บร่างกายมันก็จะเกรงเครียดคือตั้งใจเกรงทื่อเป็นลักษณะแข็งแบบธาตุดินใช่ไหมพอตั้งใจไปนานๆดินทึ่ดุมมันแข็งเกรงนานๆเพราะมีแสงสว่าง เผามากนานเกินไปเหมือนต้นไม้อ่ะถ้าต้นไม้ที่ดินที่แข็งกระด้างตรงนั้นต้นไม้ก็จะเติบโตไม่ได้แต่พอเราไปให้น้ําให้ปุ๋ยให้อะไรดีๆเรื่องมีอากาศดีมีออกซิเจนมีลมพัดต้นไม้ก็จะเติบโตจิตของเราก็เหมือนอย่างนั้นเหมือนกันรูปนามเหมือนแผ่นดินดูนามมอนแผ่นดินอากาศแสงแสงก็เหมือนธาตุไฟ ดินที่ตั้งอยู่ธาตุ ด, ดินน้ำและอากาศมันก็เหมือนฝ่ายนามนะที่ทำให้เกิดการผ่อนคลายเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่เราเชื่อไม่เห็นวนะ่าการเก็บอารมณ์เป็นเรื่องสยองเป็นเรื่องกักขังตัวเองเป็นเรื่องทรมานตัวเองโดยใช่เหตุ เป็นเรื่องทําให้ทุกข์เกิดขึ้นโดยไม่จําเป็นเราจะไม่คิดอย่างนั้นแต่คนไม่เข้าใจคอนเสด็จวันนี้ชัดเจนกับเห็นว่าการกักขังตัวเองโดยไม่เป็นอิสระอะไรเป็นการลงโทษตัวเองอะไรมันเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ถูกเลยแต่คนที่เข้าใจลักษณะที่ว่า น, นี้กลับว่าเปโอการเก็บอารมณ์มีโอกาสชีวิตอย่างดีมากเลยเพราะนายยงคนหนึ่งที่ลาสเวกันเขาชอบเก็บอารมณ์เรื่อยๆครั้งแรกเมื่อก่อนเขาทางานมีเวลาหยุดแค่เสาร์อาทิตย์บางทีขอเวลาต่อได้ขอเวลาต่อ เพราะมันมันมีความสุขแล้วก็ปัญญามันเกิดไม่ใช่มานอนพักผ่อนแล้วก็เฉยๆนั่งภาวนาดับตาท่องบนญแต่ อ, อย่างที่ทําทั่วไปไม่ใช่คือเดินจงกรมสร้างจังหวะธรรมดาแต่ค่อยสังเกตภายในมันมีอะไรให้สังเกตเยอะแยะแค่ลมหายใจเข้าออกมันก็มีอะไรเยอะแยะจะให้ดูละแค่กรอกตาเคยกรอกตาความจริงกิเ่สโคตรสูง ไปบริหารดวงตา ม, มาก็เห็นใช่ไหมการนั่งกอดตาซ้ายขวาขึ้นลงอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่คือมันได้ทั้งหลายอย่างอ่ะการบริหารการดูแลร่างกายเดือน ด, ดูดูแลจิตไปพร้อมๆกันมันเป็นโอกาสพิเศษเลยการเก็บอารมณ์นะแต่ถ้าคนทำไม่เป็นก็อย่างที่ว่ามันเหมือนกันกักขังแล้วทรมานตัวเองแต่คนทาเป็นมันเหมือนสวรรค์เลยแหละในนั้น่ะมอนสวรรค์ น, น, น้อยอยู่ในนั้น ได้มีโอกาสได้อิสระยืนแบบอิสระนั่งแบบอิสระเดินแบบอิสระนอนอย่างอิสระการพลิกกันอะไรต่างๆเนี่ยมันดูเข้าไปดูเข้าไปเห็นท่าทำงานเห็นขันทำงานเห็นอยนายตนะต่างๆทำงานเห็นเริ่มวิจัยเห็นท่าสี่เป็นไงขันห้าเป็นไงอาการมันออกมาแบบไหนพลิกอย่างนี้มันเป็นอย่างไรค่อยเฝ้าดูมันไปเรื่อย ถ้าเราสมมติเราตั้งใจจริงๆชั่วโมงที่หนึ่งที่สองโอเครู้สึกสนุกแต่ถ้าเราทําไม่เป็นพอชั่วโมงที่สามที่สี่แล้วเป็นไงท่า เ, เบื่อได้ล้าละแล้วไม่เอาละจิตมันไม่เอาละทีนี้ก็เจ้าหาอุบายว่าจะทําไงให้จิตมันกลับมาตั้งต้นใหม่ก็รีเซตตั้งต้นโปรแกรมใหม่ก็เปลี่ยนโปรแกรมใหม่โปรแกร ม, ม, รกรมตรงนี้มันเบื่อล้วเอาโปรแกรมใหม่เหมือ น, นเด็กเล่นเกมเนะมันมีหลายโปรแกรมโปรแกรมนี้มันเลยจะเบื่อใช้โปรแกรมใหม่เหมือนกันอ บางคนรู้สึกเบื่อเบื่อว้ก็โปรแกรมก็ต้องเปลี่ยนบ่อยๆทุกสามสนาทีเป็นโปรแกรมใหม่บางคนมีความอดทนและมีความละเอียดยาวนานก็อาจจะเป็นโปรแกรมทุกชั่วโมงก็ได้ขึ้นอยู่กับอีซีแต่ละคนบางคนอาจใหม่อาจจะไม่ถึงแค่สามสนาทีก็น่าเบื่อแล้วเอาเปลี่ยนทุกสิบนาทีหรือสิบห้านาทีแต่สำหรับโปรแกรมตรงนี้ต้องใช้อะไรใชปัญญาห คือวางแผนลูกหน้าว่าเออถ้าจิตมันไปถึงจุดนี้แล้วมันเบื่อใล้วฉันเอาอย่างแบบนี้วางแผ่นลวกหน้าไว้ก่อนอ่าคือคือมีเกมเล่นไปเรื่อยๆอ่ะเอะเกมเล่นไปเพราะฉะนั้นพอชีวิตของเรามันได้ฝึกฝนได้สั่งสมนิสัยแบบนี้ทุกคืนทุกวันชีวิตของเรามันไม่น่าเบื่อแลยมีอะไรสนุกได้ทั้งตลอดทุกมันก็หายไปโดยอตัตโนมัติชีวิตมันก็ไม่ทุกโดยอัตโนมัติมันก็มีความสุขนะร่างกายก็พอยดีขึ้นร่างกายก็ผ่อนคลาย ร่างกายก็ถ้ามันเจ็บตรงไหนปวดเป็นธรรมดาของร่างกายที่เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาต้องเกิดใช่ไหมแต่นั่นเป็นปัญหาที่ท้าทายเราเออลักษณะแก่มันคืออาการบอกของเราม า, มาอย่างนี้ลักษณะเจ็บอาการบอกมาอย่างนี้ลักษณะตายอาการมันบอกมาอย่างนี้เราก็เริ่มแก้ไขเริ่มหารหัสเริ่มหาโคตรลับของมันละแล้วกแก้ไขไปเลยไปเรื่อย เออรู้สึกว่าชีวิตนี่มันมันเริ่มเบาขึ้นสบายขึ้นเริ่มตอบโจทย์ของอนิจังได้มากขึ้นทุกขังได้มากขึ้นทุกขังก็น้อยลงไปรู้ไหมอา น, นิจังก็ทํางานอานิจังดังได้กล่าวว่ามีสองลักษณะลักษณะที่มันเป็นไปเองกับลักษณะที่เราเป็นผู้จัดการเราจะเป็นผู้จัดการหรือให้มันเป็นไปเองที่มันจัดการอันไหนดีกว่ากันเราเป็นผู้จัดการใช่ไหมทีนี้ผู้จัดการยมันไม่ใช่ว่าจะเป็นกันง่ า, งายๆนะใช่ไหม พอจะยกคนคนหนึ่งเป็นผู้จัดการได้เนี่ยคนนั้นต้องมีประสบการณ์เป็นไงช่างนิชํานาญมายาวนานรู้เคล็รู้คนรู้ต้นรู้ปลายของของงานนั้นๆันชัน้นใดก็ดีเราจะจัดการอารมณ์คือจัดการอนิจจังได้เนี่ยถ้าบริหารอนิจจังเป็นทุกขังไม่มีแต่ความจริงอนิจจังนันตาลุกลึกแล้วเป็นเรื่องเดียวกันไหมคุณจุเป็นเรื่องเดียวกันอีกดูให้ดีนะ ถ้าสมมติว่าเราหานอาหารเข้าไปมันไม่ย่อยมันเป็นก้อนเป็นแห่งมันเป็นอัตตาเป็นก้อนเป็นแท่งถ้ามันไม่สลายเป็นอนัตตาเนี่ยไม่แยกธาตุให้เป็นอนัตตาเรายุ่งนะทีนี้ไอ้ตัวอนัตตาดอนนั้นไอ้การที่เปลี่ยนแยกายะเป็นอาการของอะไรเป็นอาการของอีิจังใช่ไหมหินก้อนหนึ่งที่เป็นภูเขาหินหินปูนนะ มันเป็นก็เป็นแท่งอย่างนั้นแต่เราจะทําถนนน่ะเราจะทาปูนซีเมนน่ะเราจะทำไงก็ต้องระเบิดหินพวกนี้ออกมาแล้วเระเบิดหินพวกนี้จะทำไงให้หินพวกนี้มันละเอียดที่สุดก็ต้องมาเข้าลงเผาลงเผาแล้วเข้าขบวนการหินปูนเป็นหินซีเมนได้อย่างก็บนบดจนกระทั่งว่ามันหนาแน่นที่สุดพอมาเป็นปูนซีเมนมันก็เหนียวที่สุดเหมือนกัน มันสามารถเอามาสร้างตึกสร้างบ้านสร้างนะถ้าหากว่าเราไม่ยอมไม่ ย, ยอมย่อยสลายไ อ, อ, อ้หินปูนที่มีอยู่มันก็ไม่สามารถจะมาสร้างตึกอย่างนี้ได้เหมือนกันเห็นไหมประโยชน์มหาศาลเลย <c oughs> ดันั้นความเป็นอนัตตาเกิดขึ้นเพราะเรามาใช้ได้แต่ภูเขาทั้งแท่งเหมือนเหมือนกับอัตตาที่เป็นก้อนอยู่เราทุบอัตตาตรง น, นั้นสลายอัตตานั้นให้เป็นอนัตตาก็คือเอามาย่อยสลายแบบเนี้ใช่ไหมหินทั้งก้อนทั้งภูเขา แถวสละ บ, บุรีแทบไม่เหลือเลยใช่ไหม <c oughs> แทบไม่เหลือเลยเดือดร้อนกันแล้วใช่ไหมเนี่ยเขาทําลายอนัตตาจนน้าเดือดร้อนนะอันนั้นหมายถึงไอ้ภายนอกนะฮะหมายถึงภายนอกคุณจะเอาหมูทั้งตัวมาใส่หม้อแกงได้ไหมต้องทำหมูทั้งตัวนี้เป็นอนัตตานี่ให้เป็นอะไรให้เป็นอนัตตาถึงจะกินได้อ่แต่ถ้าหมูทั้งตัวมันเกิดตายแล้วเน่าเนี่ยเอามาแกงได้ไหมมันเป็น อนัตตาตามของมันเราจัดการมันไม่ได้เราไม่ได้จัดการนะหมูทั้งตัวตายแล้วเน่าเลยไก่ท <Well ั้งตัวตายมันเป็นจัดการมันได้เป็นอนัตตาแต่พอเราจัดการหมูตัวนั้นให้เป็นอาหารได้ที่อะเดรอยมันกลายเป็นอะไรไม่ใช่เป็นอนัตานะเป็นอะไรเพราะอนัตตามราเข้าบัญชาเราจัดการไม่ได้พอมันจัดการได้มันกลายเป็นปัญญาอนัตตาแล้วเปลี่ยนเป็นปัญญาปูนซีเมนมันก็เปลี่ยนจากหินทั้งก้อนมาเป็นเพราะขบวนการทางปัญญา ทางดาวิศวกรทางด้านสถาปนิกทางด้านนั้นใช่ไหมบ้านทั้งหลังเอาหินทั้งมาสร้างทั้งก้อนมันไม่ได้มันต้องสลายไม้ทั้งต้นเอามาสร้างบ้านอย่างนี้มันไม่ได้ต้องย่อยสลายทําให้มันการที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวอัตตาดันั้นอย่างควบคุมได้มันกลายเป็นปัญญามันไม่เป็นอนัตตาอนัตตาคือลูกคนนี้ใช้ไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้สอนไม่ได้สั่งไม่ได้เป็นลูกอนัตตา ใช่ไหมแต่ถ้าลูกคนนี้อบรมได้สั่งสอนได้พูดยาวว่าฟังก็กลายเป็นปัญญาของพ่อของแม่ที่ฝึกเขาได้อันนี้คือพุทธศาสนาแต่ว่าส่วนใหญ่เราไปเห็นอัตตาอนัตตาของวัตถุใช่ไหมแต่ไม่เห็นอัตตาอนัตตาของจิตเราจึงได้ความสุขเดินไา้วัตถุคนก็ไปหลงหลายวัตถุไปหลงหลอัตตาอนัตตาของวัตถุแล้วก็ปัญญาของวัตถุแต่ด้านจิตกลับละเลย พุทธเจาท่านสั่งสอนมาสองสามพันปีแล้วแต่ว่าเราเข้าไม่ถึงเวลานั่งหนักหนักหนักไปนา น, นานมันเป็นก้อนหนักหนกใช่มมันเป็นอะไรเป็นอัตตาละถ้าสมมุติเราจะปล่อยต่อไปจะควบคุมมันอยู่แค่นั้นได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นบัคบัญชาไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาแต่พอเราเกิดปัญญาเกิดสติทำไงเราก็สลายก้อนนี้ทันทีด้วยกัน รู้ขึ้นไอ้ก้อนหนักๆตัว น, นี้นก็ถูกสลายทันทีมันก็จะไม่ทับจิตเราไม่ทับกายเราเนี่ยมันใช้ง่ายๆอย่างนี้นะปวดท้องตัวนั้นเป็นอัตตาอยู่ใช่ไหมจะทํายังไงให้เป็น บ, บังคับอมาปวดท้องจุงหายเดี๋ยวนี้บังคับได้ไหมแสดงว่าปวดท้องเป็นอะไรเป็นอนัตตาเพราะบังคับบัญชาไม่ได้เพราะบังคับบัญหาไม่ได้ทีนี้จะต้องเกิดสติว่าจะทํายังไงก็ต้องไปเข้าห้องน้ํำดูก่อน ข้าวอางน้ำแล้วโอเคปวดท้องมันหายแสดงว่าเราควบคุมได้ตามธรรมชาติแต่ไปถ่ายแล้วมันก็ยังไม่หายยังปวดท้องอยู่แสดงว่าเป็นไงต้องใช้อะไรต้องใช้ปัญญาแล้วพวกคุณจะใช้ยาลูกเดียวนะไม่ยอมใช้ปัญญาเลยเพราะฉะนั้นแม้จะไปถ่ายแล้วบางคนเป็นโรคกระเพาะใช่ไหมก็ยังไม่หายอ่ะปวดท้องอ่ะนั้นแสดงว่าเป็นวิบากกรรมที่คุณสั่งสมมานาน คุณไม่ยอมแก้คุณต้องรับวิบากอันนั้นอาจจะหายช้าหน่อยแล้วแต่วิธีการของของแต่ละคนไปจัดการเพราะฉะนั้นจะจะเห็นว่าอ น, นิจจังกับอนัตตาเป็นเรื่องเดียวกันไหมเรื่องเดียวกันนิจจังเหมือนกับอั ต, ตาอ น, นิจจังเหมือนกับอนัตตาแล้วทั้งเปลี่ยนทั้งอ น, นิจจังเปลี่ยนมันได้ควบคุมมันได้มันก็เป็นปัญญามันไม่ยอมเป็นอนัตตาเพราะอนัตตามาขับบัญชาไม่ได้ใจของเราอะละทีนี้ทุกใจ เพราะแฟนทิ้งทุกใจพ่อเป็นหนี้ทุกใจพ่อมีคดีทุกใจพ่อทะเลาะ ก, กับพ่อกับแม่มันเป็นก้อนจุกอยู่ในใจเลยใช่ไหแสดงว่าเป็นอัตตาหรืออนัตตาเป็นอัตตาอัตตาตัวนี้มันจะเป็นกลางอยู่นะถ้าเราจัด ก, การมันได้อัตตานรนี้กลายเป็นปัญญาถ้าเราจัด ก, การมันได้อัตตานี้นกลายเป็นอนัตตา โอ้น่าใช้นะเพราะนั้นบริหารแค่นี้แหละบริหารแค่อนี่จังกรรมนัตตาถ้าว่าไปบริหารอนี่จังเรื่องเดียวให้ให้ถูกแค่นั้นนะใช่ไหมทุกขังอนัตตาไม่ต้องพูดถึงเลยมันเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นในโลกนี้พลังงานจึงมีมาก่อนแล้วตัวลูกหรือตัวโมเลกุลเนี่ยมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตัวเเนที่เรียกว่า นามนั่นเองนามรูปคือเป็นโมเลกุลนามคือเป็นเอเนอร์จีรูปกับนามเกิดเป็นอะไรเป็นเอเนอร์จีหรือเป็นโมเลกุลคุณนพสิทธิ์การเกิดเป็นเอเนอร์จีหรือเป็นโมเลกุลเป็นรูปเป็นรูปรูปควรจะเป็นเกิดหรือเป็นดับเป็นเกิดก็เป็นโมเลกุลอการดับเป็นนาม มันดับแล้วมันกลายเป็นพลังงานเมื่อคุณสเปรย์น้ํามันเข้าไปในห้องเครื่องมันเกิดพอมันดับกลายเป็นพลังงานผลักลดไปทั้งคันได้เลยนั่นคือพลังงานคือการดับถ้ามันสเปรย์ไปแล้วมันไม่ยอมเผาไหม้การดับไม่เกิดพลังงานเกิดไหมไม่เกิดมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยมันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรนะแต่เนื่องจากว่าถ้าเราไม่ ระลุข้างในเกี่ยวกับเรื่องนี้ซะก่อนมันมองคอบคุมในเรื่องรูปทั้งหมดไม่ได้แล้วถ้าสมมติว่าเข้าใจอย่างนี้สังขารทั้งหลายเนี่ยควบคุมได้ไหมควบคุมได้ก็เปลี่ยนสังขารเป็นอะไรเป็นปัญญาเท่านั้นเองนะดัง น, นั้นนักบวชนักปฏิบัติจึงไม่ต้องการมีสังขารมากเพราะมันควบคุมยากถ้ายิ่งมีมากยิ่งควบคุมยาก คุณมีลูกสิบคนกับมีลูกหนึ่งคนหรือสองคนเนี่ยอันไหนดูแลง่ายกว่าใช่ไหมคุณมีเงินสิบล้านก็คุณมีเงินหนึ่งหมื่นบาทเนี่อันไหนควบคุม ง, ง่ายกว่าหนึ่งหมื่นบาทแต่คุณก็อยากมีสิบล้านนะ่ะถึงจะควบคุมยากก็ไม่ยอมใช่ไหมคุณมีทองหนักร้อยบาทกับคุณมีทองหนักสี่บาทคุณก็อยากร้อยบาทนั่นคือความไม่รู้ไงไม่รู้ตามความเป็นจริง พระพุทธเจ้าท่านจึงสละสังขารทั้งหลายทั้งลูกเมียพ่อแม่พี่น้องบ้านเมืองประชาราชนราชบัลลังก์ใช่ไหมออกมาโดยที่ไม่มีอะไรเพื่อให้มีแต่สังขารนั่นที่ควบคุมง่ายมีแค่บาทหนึ่งบาทผ้าใส้มผืนเกิดหนึ่งอันการน้ำหนึ่งอันพอละควบคุมได้ไหมนี่คือสังขารี่เราควบคุมได้เมื่อควบคุมได้ชีวิตใจเป็เบาสบายไม่ต้องมีเงินสักบาทก็สบายนะ เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราสร้างสังขารแข่งกันเพื่อจะได้มีความสุขมากมากขึ้นได้สูง ม, มามนักการเมืองทั้งหลายสังส่งสมสังขารคือเงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นในที่สุดมันอยู่ไม่ได้วันนี้ก็โดนคดีบ้างโดนไล่หนีบ้างโดนฆ่าบ้างโดนอะไรเจออะไรมากมายเพราะสังขารเยอะเกินไปคนอื่นเขาอยากได้สังขารนเหมือนกันเนะพราะนั้น ถ้าเราทั้งหลายถ้าเราทั้งหลายที่ธรรมดาใช้ชีวิตธรรมดาที่มีอะไรที่ควบคุมได้ถ้าสมมุติว่าเรามีสามีภรรยาถ้าให้อยู่ในการควบคุมดูแลได้เนี่ยเรารู้สึกเป็นไงสบายใจไหมแต่ควบคุมดูแลไม่ได้สั่งสอนไม่ได้เป็นไงเป็นผัวเป็นสามีเป็นอนัตตามีภรรยาก็ภรรยาอนัตตาเพราะบังคับบัญชาไม่ได้แต่ถ้ามีา ป, ปัญญาเป็นอ่าปัญญามีปัญญามีศีล พูดอย่าว่าฟังเข้าใจกันดีมันก็เป็นไม่ใช่เป็นอัตตานะเป็นปัญญาตรงนี้สำคัญนะถ้าหากว่าเรามีลูกเราก็อยากให้ลูกของเรามีทำควบคุมได้ดูแลได้ถ้าลูกของเราดูแลควบคุมมาข้าบัญชาไม่ได้ก็เป็นลูกอะไรอนัตตา <laughs> <laughs> เราก็ไปแยกส่วนนะ นั้นเองอันนี้มันเป็นหลักถ้าเราใช้เข้าใจพุทธศาสนาเราใช้หลักการอันนี้นะที่เรามักจะใช้พูดกันว่าธรรมาพิบาลเอามาไม่รู้ว่าเขาให้ความหมายคําว่าธรรมาพิบานเนี่ยว่าอย่างไรไหนใครเรียนเทศาสตร์มาปกครองโดยธรรมใช่ไหมโดยธรรมจะเป็นอิธิบาสีหรือภพมิหารสีใช่ไหมเอาธรรมนั้นเหตตากรุงนามุติตาเปีขาก็ใช้ในระดับสมมุติก็ใช้ทำส่วนปลายเหตุ แต่เราเป็นนักปฏิบัติต้องมาเข้าใจทำในส่วนที่เป็นต้นเหตุต้นเหตุเรียกว่าปรมาตย์ปลายเหตุเรียกว่าสมมุติเพราะฉะนั้นสมมุติปรมาตย์มาด้วยกันสมถะเป็นต้นเหตุวิปัสนาเป็นวิปัสนาเป็นต้นเหตุวิสมถะเป็นปลายเหตุเราไปดูว่าความคิดมันเกิดอย่างไรจัดการตรงนั้นเป็นวิปัสนาเมื่อความคิดมันเกิดเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นเรื่องไปแล้วไปกดมันไว้อันเป็นสมถะคือ ใช้กดทับแก้ปลายเหตุอันไหนง่ายกว่ากันคนที่เข้ามาใหม่ยังไม่มีปัญญาก็ต้องไปกดทับความคิดและอารมณ์ไว้ก่อนให้มันสงบใช่ไหมแต่พอมาศึกษาเกิดวิปัสนาปับ๊บแทนที่จะไปคอยกดทับความคิดที่มาเป็นก้อนเป็นแข้งแต่ไปดูว่าความคิดเกิดอย่างไรเริ่มต้นตรงไหนอยากหรือง่ายคนนั้นจบด็อกเตอร์เวสก า, า, าร์จานเนาะยังไม่มีปัญญาจัด ก, การเรื่องนี้เลยทําไงดีเ<ม>พราะเป็นปัญญาอะไร ปัญญาที่เป็นโลกียะปัญญาทางโลกจะไม่เห็นต้นเหตุของทุกข์ที่เป็นปรมัิต์แต่ปัญญาทางธรรมนะจะไม่เห็นว่าเออจะมาเห็นเริ่มต้นของทุกข์เกิดอย่างไรจะไปดูว่าใจมันเกิดทุกข์เกิดอย่างไรกับรู้ว่ากายเกิดทุกข์เกิดอย่างไรนี่อันไหนง่ายกว่าระวางกายเกิดทุกข์กับใจเกิดทุกข์เนี่ยอันไหนจัดการง่ายกว่า การเข้าไปดูต้นตอของทุกข์ที่เกิดกับกายกับการเข้าไปดูต้นตอของทุกข์ที่เกิดกับใจอันไหนดูได้ง่ายกว่ากายนั่นแหละเราถึงจะมีการดูทุกขเวทนาดังเกิดทางกายให้เยอะเยอะไงเพื่อจะรู้ต้นเหตุตรงนี้ก่อนถ้ารู้จักต้นเหตุของทุกข์ที่เกิดทางกายเป็นการจะไปดูต้นเหตุที่ทุกข์เกิดทางจิตก็เป็นเพราะทุกข์ที่เกิดทางจิตมันก็ไปจากทางกายนี่เองไงอ่าถ้าแก้ที่กายเป็นจิตมันก็ถูกแก้ไปด้วย ก็ต้องย้อนถามตัวเองความเย็นแล้วอ่อนแข็งเข่งตึงไว้เจ็บปวดร่างกายเนี่ยมันทำไมมันเป็นนักเป็นหนามเมหล่มันจะหมดทันทีคุณต้องถามตรงนี้ก่อนเพราะถ้าคุณถามตรงนี้คุณจัดการได้ไหมจัดการตรงนี้ได้ถ้ามันเย็นขึ้นไปคุณก็หาร้อนมาช่วยหน่อยร้อนขึ้นไปเพื่อให้เย็นมาถ้าหนั ก, ก เ, น เ, เกินไปก็ทําให้มันเบาหน่อยถ้าเบาคุณเกินไปคุณก็ต้องทําให้มันหนักหน่อยเพราะนั้นชีวิตต้องอยู่บาลานทั้งหนักทั้งเบาถ้าคุณชอบแต่เบาแต่สบายไม่เอาหนักเลยเนี่ยชีวิตอยู่รอดไหม ไม่รอดคุณก็จะถ้าเป็นชาวบ้านก็จะเป็นคนขี้เกียจเนาะยากจ น, นข้นแขนไม่มีกินเป็นขอทานเป็นโฮมเรดไปเลยเพราะมันรักสบายแล้วในที่สุดมันก็ทุกข์เจียนตายไปเจอจนได้แหละนะดังนั้นการออกกําลังกายเป็นตัวอย่างที่ดีร่างกายมันสบายเกินไปมันทําให้อ่อนแอเส้นสาอะไรไม่มีพลัง่ใช่ไหมเราก็ทําให้ร่างกายเนี่ยไม่สบายขึ้นมานั้นเราก็ เมื่อร่างกายรู้สึกเราทําให้ร่างกายมีความไม่สบายแล้วก็พอใจทําเพราะเรารู้ว่ามันเกิดอย่างไรและเราจะรู้ด้วยว่าไอ้ความเจ็บปวดตัวนี้มันจะดับได้อย่างไรแต่วันหนึ่งคุณเกินการเจ็บปวดโดยที่ไม่รู้สาเหตุคุณจัดการให้มันดับได้ไหมไม่ได้นั่นเพราะเราไม่ยอมเจ็บปวดก่อนพอไปเจอความเจ็บปวดที่เราควบคุมไม่ได้นั่นคือวิบากกรรมเพราะเราไม่รู้เพราะฉะนั้นจงขยนันนั่นแหละทํางานแล้วออกกำลังกาย บ่อยๆนะตั้งแต่มารู้อันนี้สงอันนี้ออกมาไม่เคยพลาดเลยในเรื่องออกกำลังกายวันนี้มีพระอาจารย์อยู่ที่เอรันตาลนยมหาบุพเพตอนนี้มีมีคนเวียดนามคนหนึ่งที่มีวิธีออกกำลังกายที่สามารถารักษาโรคไขมันเบาหวานหัวใจได้กำลังแพร่ขายายในอเมริกา มาก็บอกอาจารย์รีบๆส่งมาให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงนะกำลังาหาข้อมูลอยู่เดี๋ยวมาเจอข้อมูลพวกเราก็ได้อ น, นี้ส่งจนได้นะอะไรก็ตามที่มาเป็นนมาได้ทุกคนก็ได้ด้วยนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นบุญกุศลน่ะให้สิ่งที่ดีแก่คนอื่นนะใช่้หมเราก็มีบุญเยอะๆโดยไม่ต้องทําเป็นแสนเป็นล้านแค่ให้สิ่งที่ดีๆที่เรามีเองให้กับคนอื่นมีคําพูดดีๆให้คนอื่นมีข้อแนะนําดีๆให้กับคนอื่นโอ้เราก็ได้ให้ทานทุกวันแล้ว ตลอเวลาด้วยใช่ไหมแล้วคนรอบข้างเขาก็ต้องการสิ่งที่ดีๆเพราะนันอะไรที่สิ่งที่ดีๆควรสั่งสงสิ่งนั้นไว้การมีสุขภาพดีถ้ารูกภาพเราดีแล้วก็กจะแจกให้คนอื่นถ้าสังคมการให้ทานของเราเป็นลักษณะเนี้สังคมเราจะเข้มแข็งชุมชนเราจะเข้มแข็งประเทศเราจะเข้มแข็งนะเพราะโดยการให้ธรรมทานแต่เราให้วัตถุทานกันมากเกินไป วัตถุทานเป็นเหตุก็ให้เกิดอะไรโลภะใช่ไหมธรรมทานเป็นเหตุก็ให้เกิดอะไรปัญญาแต่คนทั่วไปชอบวัตถุทานหรือว่าธรรมทานวัตถุทานเอามาเอาเงินมาให้หนึ่งแสนบาทก็ามาไปนั่งสอนโยมให้ฟังธรรมะเนี่ยโยมจะเอาไหนร้อ ย, ย100ทั้งร้อยกูเอาเงินแสนเดียวเดียดียว่านั่งสอนใจๆๆเดี่ไม่แน่ว่าจะดูอะไรเข้าไปด้วยนะฮะ เรียกคนไม่พอใจที่จะเอาธรรมทานแต่พอใจที่เอาวัตถุทานจริงไหมจริงเพราะอะไรเป็นอย่างนั้นเพราะเรายังไม่ได้สร้างความคุ้นเคยได้ธรรมเนียมนะเพราะฉะนั้นการมาเข้าปฏิบัติเพื่อมาสร้างความคุ้นเคยได้ธรรมเนียมที่จะเป็นผู้รับและเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ธรรมทานเป็นด้วยพ่อแม่เราไม่สบายเราไปหาอาหารเสริมมาหายายดีๆไปบํารุงท่าน ใช่ไหมเราเลีพอ่อเลีแม่มีความปพัฒนอยู่อะไรที่ว่าอาหารเสริมดีที่สุดราคาแพงที่สุดะวันเกิดของพ่อของแม่ต้องสรรหาไปให้แล้วใช่ไหมแต่อีกคนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมได้ธรรมาทานแก่หลวงพ่อไปอคุณแม่ไม่สบายไหนต้องทําอย่างนี้ดูที่คุณแม่ต้องยกอย่างนี้ดูที่ต้องเหยียดขาด้วยก็นวดให้แล้วก็เอาคลิปการออกกําลังกายไปให้ท่านดูบ่อยๆแล้วก็พาท่านทําทุกวันทุกวั น, วนแต่วก็นวดให้ท่านฟินให้ท่านพูดกับท่านดีๆท่านเอาไหม นี่คือการให้ธรรมทานแล้วคุณแม่จะเข้มแข็งโดยที่ไม่ต้องกิทอาหารเสืิมนะยมแม่ประมาแปดสิบห้าแปดสิบหปสิบ็ดครับพี้ยังขึ้นลงภูเขาปนเขาได้สบายต้องปลูกผักยังหาเก็บนอไม้เก็บเห็ดมาทรอาหารถวายพระได้อยู่ทุกวันเพราะให้อย่างนี้แหละให้ธรรมทานนะดังนั้นเองการให้ธรรมทานนั้นปลอดภัยและเป็นประโยชน์แต่ว่าคนเอาเนี่ย รับไม่เคยได้เพราะยังไม่ได้สร้างความเข้าใจเบื้องต้นนียต้องมาสร้างความเข้าใจอโยมคู่หนึ่งเป็นลูกฟาแก่ที่ชิคาโกชื่อว่าเล็กการ์มอนนีนนะ่แม่ไปปฏิบัติอีกทางหนึ่งและสองคนเข้ามาปฏิบัติกระทางเราปฏิบัติเข้าใจเรียกว่าอธิบายธรรมะได้เลยแหละไปจัดอบรมที่ไหนสองคนนี้ช่วยได้เยอะเลยแหละทีนี้แม่ยังไม่เอาทําไงเพราะแม่มีความมั่นใจสูงมากเอาแม่ไปอยู่ด้วย ในที่สุดก็เลยตอนแรกเขายังเข้าใจอะไรไม่มากจะเอาพร่ำเที่จะเอาให้เอาให้แม่ก็ปฏิฆะใช่ไหมแม่ก็บลูกมีเวรกันอยู่แล้วนะได้เห็นอะไรอะ่ะเห็นพื้นกันอยู่แล้วนะอะไรที่แม่ก็เห็นกําพืชของลูกใช่ไหมลูกก็เห็นกำพืชของแม่เพราะฉะนั้นจะให้กันโดยอย่างสนิทสนุนะั่นเองคแต่นี้พอลูกเขาปฏิบัติได้เลยเขาเกิดปัญญาก็เห็นแม่เนี่ยไม่ใช่แม่แล้วเป็นอะไรเป็นรูปนาง <laughs> เอองั้นรูปนางเปเรี้ยวก็จัดการได้สิ เออเมื่อก่อนเราเห็นแม่เป็นเป็นอนัตตาเป็นอัตตาใช่ไหมจัดการไม่ได้ในชุดแม่คือกลายเป็นอนัตตาแต่พอเกิดปัญญาขึ้นมาเปลี่ยนแม่จากอัตตาอนัตตามาเป็นปัญญาก็เลยอเอาใจแม่และทีนี้มาดูแลมาเอาใจพาแม่ไปเที่ยวตรงนั้นพาแม่ไปเที่ยวตรงนี้ทีนี้แกจะพามาเข้าคอสอัตมาอยู่ที่เฟสโน่เนี่ยออแม่ไปไปเที่ยวเฟสโน่ด้วยกันไปเที่ยวเลยไปเที่ยวซานแฟนด้วยกันแม่ก็ ไปเลยนะมาเข้าคอร์สโอ้โหแม่มาเข้าเพือนเต็มอย่างเงี้ยจ ะ, ะทวงลูกก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมก็เหมือนกระดูกกระไดพอยโจนก็ทําเออทาไปทำมาดีตั้งแต่นั้นเริ่มต้นเลยเริ่มต้นปัจจุบันในแม่ก็มาปฏิบัติทางนี้นะตอนนี้เปิดบ้านให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมเรื่องบ้านสติมาที่ชิคาที่ชิคาโก้นะบ้านก็เป็นอนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านี่คือการผลและการใช้ปัญญาทั้งแม่ทั้งลูกก็โดยให้ธรรมทาน เมื่อก่อนสอคนที่เขาทำงานในมหาลัยเขาก็มีเงินเดือนให้แต่แม่แ ม, แม่แม่ก็เลยเอาไปใช้ใจแต่เดี๋ยวนี้มาให้ตรงนี้ก่อนเราปัจจัยก็ค่อยลดลงจำลำําดับเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราให้ธรรมทานแก่กันมันแก้ปัญหาได้เยอะเลยนะเอามาก็อยากให้เกิดชุมชนอย่างนี้ก่อนเมื่อชุมชนอย่างนี้เกิดแล้วมันเกิดหลายๆจุดนะวันหลังมันก็กลายเป็นข้อมูลกลายเป็นคอมคอมูนิตี้กลาย เ, เป็นชุมชนเกิดเป็นตําบลหมู่บ้านจังหวัดไป แะประเทศชาติเราก็จะดีขึ้นถ้าคืนเราไม่พัฒนากันอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเราตกเป็นทาตทางสิติปัญญาของยุโรปอเริกาหมดเพราะทางโน้นเขาพัฒนาได้ไวนะถึงแม้เขาเป็นวัตถุนิยมเดี๋ยวนี่เขาตีกลับมาศึกษาเรื่องนี้แหละแต่คิดว่าเขาจะศึกษาได้ไวด้วยเพราะอะไรเขามีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์แต่ของเราที่มันชา้าเพราะมีพื้นฐานเป็นอะไรไมือจกุกสายศาสตร์แต่เที่ยวนี้มันเห็นแขนพระมานะแขนพระมาโดนยึดหลายครั้งแล้วนะยึดเที่ยวนี้จะไม่ให้คืนเล็วมั้ง โอ้พูดถึงเรื่องของฝากเอามาเกือบลืมไปโยมวันนั้นใครใครฝากอะไรมาสร้อยนึ่งเกิดหายเรามายุ่งนั่นนะ่ะของใครของโยมหรือเปล่าโอ้อย่ลืมเนละยลืมทวงด้วยไม่รู้ว่ามาไปไว้ไหนไปตามหาก่อนนินีงนะค <c oughs> <c oughs> อขี้ลืมด้วยนะที่ที่วัดก็เหมือนกันบางทีราคาพระองค์พระบิณฑแสนนั่นหลวงพ่อตะกรุผมหายปเป็นเรื่องเลยนะ <c oughs> เออไม่เป็นไรวะ <c oughs> แล้วเราก็ที่เต็มที่เหมือนกันคือบางทีแขวนพระเนี่ยมันมีอุปท า, านอยู่ลึกๆไง ประของมีค่าอยู่แก่ตัววนะันนมาขอปลดออกก่อนแต่คุณถ้าไม่ให้เก็บหลวงพ่อคุณเอาไปเก็บถ้าคุณเราไปเก็บหายก็เป็นเรื่องอีกแต่หลวงข้อเก็บแล้วหายเนี่ยไม่เป็นเรื่องเพราะอะไรอย่างนั้นหลวงพ่อต้องหาให้คืนให้ได้แล้วกนะัน mm. <laughs> เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เราจะทำไงให้มันมันเป็นเรื่องที่สนุกในการดูแลตัวเองในการดูแลครอบครัวพอเราทําำนเชงนี้ชํานาญแล้วใช่ไหมสามีไม่ค่อยเชื่อฟังทําไง มันเป็นเรื่องท้าทายแล้วที่เนี่ยท้าทายเลยท้าทายการปฏิบัติของเราเราปฏิบัติจะได้ผลหรือไม่ได้ผลตรงที่ให้จัดการให้สามีให้อยู่ได้เราก็บัญชาให้ได้นี่แหละเมื่อก่อนคุณนุพสิทธิมีปัญหาเรื่องครอบครัวมากเดี๋ยวนี้มารายงานว่า อ, อุหลวงพอดีขึ้นแล้วเอาคุณจัดการเขาก็บอกขั้นตอนจัดการนั่นแหละคุณเกิดปัญญาแล้วส่วนจะจัดการยังไงเป็นเรื่องของคุณแต่หลวงพ่อบอกวิธีทําให้เท่านั้นแต่หตัวใจกลับ ม, มามาโทษหลวงพ่อไม่ได้นะั่นแหละ ใช่ไหมคุณนุสิทธิ์ตอนนี้ยังไม่ยังครอบคุมไม่ได้คอมพลีที่ยังไม่ให้หรายงานนะทดสอบไปเรื่อยๆก่อนก็แล้วกันวันหนึ่งเมื่อดึงเข้ามาปฏิบัติกวมกับคุณได้เนี่ยคุณพ่ถือว่าเป็นผลสําเร็จลนะเพราะฉะนั้นใครมีสามีที่ไม่ได้อยู่ใต้มาเข้าวันชาตนะินเป็นเรื่องท้าทายคุณนี่ไปทุกข์กับเขานะโอ้โหนี้ท้าทายมากเลยฉัจะทํายังไงทำไปเรื่อยๆอะหินทั้งก้อนเน่ยคุณทุบทั้งเรื่อยๆทั้งวันเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นหินอยู่ได้ไหม มันจะแตกวันใดวันหนึ่งอันนะจะให้ละเอียดขนาดไหนก็ได้แต่คุณต้องขยันนั่นแหละขยันทุบเ่อหน่อยเลใช่ไหมคุณตายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเื่นสนุกในครอบครัวมีครอบครัวว่พโอ้ลูกคุณนี่มันดื้อมันติดยาทุกใจกับลูกคนนี้เหลือเกินเป็นเรื่องท้าทายอลไรใช่ไหมมีโยมคนหนึ่งเอามามีเรื่องเยอะเนาะมันผ่านมาเยอะมีตัวอย่างเยอะที่บ้านน้องเหลาะที่มาไปสร้างขั้นแรกเนี่ย ชื่อแกยายแพงนะมาปฏิบัติกรนเนี่ดีแต่ลูกชายของเราเคยมาบวชเป็นพระแล้วนะแต่ก่อนที่บวชเป็นพระมันติดอะไรสารละเหยอย่างอะไรกาวอะนะติดกาวอนะมันกลับไปมันสื่อไปมันก็ไปติดอีกนั่นแหละี่จะทําไงเราบอกวันนี้บอกวิธียายแพงก็คุยกันอย่างยายแพงก็เลยวันนึงก็ไปทำนะํำเลยแกไปตลาดแกไปซื้อกาวที่ว่าดมนะุมมาโหลหนึ่งเลยนะ แค่ยอมเสียละอย่าลูกก็ยิงให้ลูกแม่นักลูกนะเนี่ยเธอชอบมากเลยในการดมกาวแม่ถึงเอาสิ่งนี้ไปเพราะนั้นเอาไปดมให้หมดเลยนะ <c oughs> ดมทุกวันฉันรักเธอมากกานะก็พูดดีๆยิ้มๆเนี่ยนะปารากฏว่าอีกวันนึงลูกมาเริ่มหมดเลย <c oughs> โอ้โหถ้ากูดมหมดกูตายแน่ๆเลยเนี่ยคือต้องใช้ปัญญาในเมื่อทางดีไม่ได้ก็เอาเอ า, เอาทาง เขาเรียกว่าน้ำย่อกน้ำบงนี่ต้องใช้ปัญญาแล้วใช่ไหมแต่ใครจะไปใช้ถุงเช็ดผีที่มาโทษธรรมาไม่ได้ลองไปใช้ดูก็แล้ว ก, กันอุบายของใครของมันนะอุบายของใครใ น, ในการแก้ปัญหาดังนั้นในพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนอุบายเรียกว่ากุศลหรือกุอสโลบายท่ามาได้เคยมาพูดหลายครั้งว่าที่ชาวเพื่อนชาวต่างประเทศคนชาวไอริสเขาบวชอยู่ที่อินเดียทั้ง 4, สี่พรรษา รู้สึกนั่งปฏิบัติไปต้องมีวินัยต้องมีระเบียบแล้วคนยุโรปเขาระเบียบวินัยเหล่านี้เป็นเรื่องจริงจิงใช่ไหมเขาก็รูส้สึกสึกออกมาปฏิบัติแล้วมาเจอกันอยู่ที่อไอร์แลนด์ทางเวียดด์อยู่ที่ศรีลังกาตอนนั้นที่มาไปไปทําเรียนต่ออยู่ที่นั่นไปเจอกันที่นั่นในช่วงสัมมอือแกก็มาพักที่นั่นเขาก็คุยกันคุยกันไปเขาก็ถามท่านบวชมานานเท่าไหร่แล้วบวชแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้าง แล้วก็ถามในะที่สุดเถามคุณรู้ไหมว่าแก่นแท้ของพุทธศาสนาคืออะไรก็ต่อบไปนนอะนิสสีปฏิสุมปาฏโพุธโฉงเกตเขาว่าไปเขาบอกทั้งหมดไม่ใช่หรอกอ้าวทำไมคุณว่า <Bose. S 2> อย่างนั้นเน่เขาก็ไม่ได้ตอบโดยตรงนะวันหนึ่งก่อนจะจากกันเขาเขียนติดหลังกระดาษแล้วก็ยื่นให้แล้วเขาก็ไปแก่นแท้ของพุทธศาสน า, าคืออะไรดูไหม เอ๋อเจะเป็นการบ้านหรือเปล่าด้วยเฉลยเลยไม่รู้นะ <laughs> เห็นท่านจะเป็นการบ้านนะเนะ skill in means the c a l l of Buddhism skill in means ท่าน ด, ดรว่าไงดี skill in means คำว่า skill นะ skill <Sec ure. S 1> อ่า skill in means มินเตอร์เอสเลยนะนั่นแหลคือแก่นแท้ของ พ, พุทธศาสนา เราจะปแปล ว, ว่าไงดีฮะมีสกิลสกิลลิ่งอะนะฉลาดในอุบายฉลาดในวิธีการนั่นคือแก่นแท้ของพุทธศาสนาคุณจะทำอะไรก็ตามที่เราไม่ใช่เขากุศลอะใช่ไหมกุศโลบายคุณต้องมีอุบายอันฉลาดในการทำใช่ไหมแต่เราไม่ใช่คาว่าทักษะใช่ไหมสกิลนะ มปว่าทักษะมีทักษะในเรื่องนั้นๆช่างคนหนึ่งที่มันซ่อมรถอยู่ที่อู่ทุกวันมันได้ไม่ไเรียนรู้อะไรนะแต่นักวิศวะก่อนทางเครื่องยนค์คนหนึ่งจบไปเนี่ยเอาไปทำงานร่วมกันไอคนนี้ต้องพึ่งมนะัน่ะใช่ไหมมันทึ ง, งมันทึงงี้นันคือมีสกิลวิธีการพอขับรถมาจอดหน้าร้านปั๊บเนี่ยถามว่ารถคันนี้เป็นมันรู้หรือแค่ฟังเสียงก็รู้ว่ารถคันนี้มันเสียตรงไหน แต่วิศวกรคนนั้นยังมืดอยู่เลยใช่ไหม ย, ยังมืดแฝดด้านนี่เลยดังนั้นในร่างกายของเราเนี่ยมันฟ้องเราตลอดเวลาและมันมันเป็นอะไรแต่เราเคยดูเข้าไหมเราเคยสังเกตเขาไหมเราเคยศึกษาเขามั้ยว่าสัญญาณของความแก่คืออะไรสัญญาณของความเจ็บป่วยคืออะไรสัญญาณของความตายคืออะไรถ้าเรากลัวว่าความแก่ความเต็บความตายจะมาถึงเราไวเกินไปใช่ไหมต้องอ่านเขาออก อ, อ่านเขาออกแล้วเริ่มเริ่มเรียกร้องเริ่มแก้ไขาตามที่เขาเรียกร้องเขาเรียกร้องอะไรนนั่งนานๆมันห น, น, น, นักหลังหนักไหลเขาเรียกร้องอะไรเขาบอกเรานะแต่เราเคยตอบสนองเขาทันทีไหมลืมไปเลยห่างไปเรื่อยๆในที่สุดก็นั่งก็ไม่ตอบเขาอ่ะไม่ตอบเขาจสร้างปัญหาเลยใช่ไหมแต่เราตอบเขาตอบเขามันหมนเาเพรามว่าเราก็ต้องปรับแก้นันการปรับแก้ทุกครั้งนั่นคือจอนตอบโจทย์ของความแก่ความเจ็บความตาย ทั้งกายทั้งใจใจของเราที่มันคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านเขาต้องการต้องการที่จะให้เราแก้ไขแต่เราแก้ไขไม่เป็นเพราะไม่มีอุบายอัญชะละในการแก้เราก็เข้าไปกับเขาเลยเขาก็พาเราไปเลยทีนีน้แต่เอ๊ะตามปุติจิตเนี่ยมันคิดหรือไม่คิดปกติทั่วไปเนี่ยจิตมันคิดหรือไม่คิดมันปรุงหรือไม่ปรุงจิตนี้ ผ่องใสสะอาดมาแต่เดิมประพัฒสระบีทางจิตตังอาคัาตุเกเสหิอุปกรณ์ังจิตนี้สะอาดแจ่มใสผ่องใสมาแต่เดิมเมื่อถูกอาคัาตุกัคิเลจรเข้ามาจิตนี้จึงคิดและเศร้าหมองเห็นไหมจิตนี้เดิมแท้เนาะออริจินอลใหม่เนี่ยมันสะอาดบริสุทธิ์สดใสมาแต่เดิมเหมือนจิตจิตเขาบอเด็กเกิดใหมก่ก็จิตของพระอรหันตนะ์คล้ายกันใช่ไหม กเป็นฉายาเด็กสามขวบสองขวบเดือนสองเดือนนะเป็นจิตของเขาเป็นฉายาของพระราหันเขากรรมือเดี๋ยวคุณไปแกะกาดีใช่ไหมโอ้โหแกะแทบไม่ออกเลยใช่ไหมแน่นพลังนี้มากเลยอะ่ะฉันใดก็ดีนะจิตของเรานี้ถ้าหากว่าเขาเป็นพลังเดิมแท้เขาจะมีความหนักแน่นมั่นคงมากแต่เราไม่รู้เท่าทันเลอปล่อยอาคาันตุกะคือสิ่งที่จรเข้ามา เหมือนกับแก้วน้ําที่ใสๆหนึ่งแก้วมันมีฝุ่นผงจอนเข้าไปตัวที่ฝุ่นผงจอนเข้าไปตกลงไปเป็นอาคารตุกอาศที่เราได้เชือ้อเชิญไหมถ้าอาคารตุกอากาศตัวโตๆเป็นชิ้นกระดาษเป็นใบไม้หรือเป็นอะไรที่มองเห็นน่ะก็ออกได้ง่ายใช่ไหมแต่ถ้าเป็นฝุ่นผงที่ละเอียดอ่อนเราจะทํำยังไงมองไม่เห็นนะวิธีการที่จะไม่ให้มันเข้าไปทำงานก็ต้องปิดฝา ที่หลวพ่อเรียนให้ปริศนออกมาใช่ไหมคุณก็ต้องปิดฝาขวดเอาไว้ในบางการณีคุณจะใช้แต่เมื่อคุณเปิดฝาขวดเมื่อคุณใช้เสร็จแล้วคุณก็ปิดเอาไว้จิตของเราเมื่อไหร่คุณจะใช้คุณก็คิดให้เต็มที่ซักพอคิดจบคุณก็ปิดไม่ต้องคิดอะไรอีกทาได้ไหมนั้นขเขาเรียกว่ามันเป็นอนัตตาอยู่บรรเขาบัญชาแบบนั้นยังไม่ได้นั้นต้องทําจิตให้เกิดอะไรที่บรรเข้าบัญชาได้ทําให้เกิดตัวรู้คือปัญญา เมื่อจะรู้ปัญญาเท่าทันแล้วจิตของเราที่เป็นอนัตตาก็กลายเป็นจิตที่เป็นญาณปัญญาแล้วเราจะรู้เรื่องผู้เรื่องได้อย่างสบายหมดเวลาพอดีเนาะขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่เราจะศึกษาเรียนรู้ตัวเองให้ชัดเจนตั้งแต่บัทนี้เข้าสู่การดับทุกข์โดยสิ้นเชิงด้วยกันทุกคนทุกท่านเท